วัววิเศษนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีชาวนาสองคนชื่อแจ็คกับแฮรี่พวกเขารวยมากพวกเขามีฟาร์มใหญ่และมีวัวหลายตัวแต่พวกเขาไม่เคยทำงานพวกเขาจะจ้างชาวนาคนอื่นมาทำงานในที่ของตัวเองพวกเขาอยู่ในบ้านหลังใหญ่และใช้เสื้อผ้าแพงๆ แต่ทั้งๆ ท, ที่มีทุกอย่างแล้วแซคกับแฮร์รี่ก็ยังไม่พอใจฉันอยากจะจ้างชาวนามากว่านี้เพื่อทำเงินให้มากขึ้นนะเพนด้วยฉันอยากจะใส่เสื้อผ้าไหมออแล้วถ้าเราหาเงินให้มากพอที่จะสร้างวังอัญมณีได้ละ่ะว้าวฟังดูน่าทึ่งดีนะในหมู่บ้านใกล้ๆไม่กี่หลังถัดไปมีทอมอาศัยอยู่ เขาเป็นชาวนาจนเขามีเพียงพื้นที่เล็กๆและวัวเพียงตัวเดียวนายโทมัสชายในหมู่บ้านใกล้ๆกำลังขายวัวอยู่นะนายสนใจจะซื้อไหมฉันอยากจะซื้อนะแต่ฉันไม่มีเงินซื้อวัวตัวอื่นแล้วล่ะฉันให้ยืมเงินก็ได้นะใจดีมากเลยแต่ต่อให้ฉันยืมเงินนายไปซื้อวัวแล้วฉันจะเลี้ยงมันได้ยังไงกัน เพรว่าฉันนะ่ะไม่มีอาหารเลี้ยงวัวถึงสองตัวนะฉันนะ่ะยืมเงินนายทุกวันไม่ได้เธอจะอ่อนแรงขอบคุณนะที่ห่วงแต่ฉันนะ่ะพอใจกับสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วทําตลาดและทํางานหนะักเขาจะไปที่นาทุกวันและทํางานทั้งวันหลังจากนั้นจะกลับบ้านมาเลี้ยงวัว ทอมไม่เคยขออะไรมากกว่านั้นเขาซาบซึ้งกับสิ่งที่เขามีอยู่ในชีวิตเขามีความสุขอยู่เสมอแต่แจ็ค ก, กับแฮร์รี่ไม่ใช่พวกเขาอิจฉาทอมมากทำไมทอมถึงมีความสุขขนาดนี้นะฉันก็คิดเหมือนกันทุกครั้งที่ฉันเห็นเนี่ยบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่แล้วฟาร์มมันก็เล็กนะ ฉันว่าเพราะวัวแน่ๆเลยแฮร์รี่วัวของมันน่ะดีกว่าวัวของเราทุกทุกตัวใช่อาจจะใช่นะเพราะว่าวัวตัวนั้นไถนาทั้งนาเลยฉันคิดออกแล้วล่ะมาซื้อวัวของมันกันวันถัดไปทั้งสองคนไปหาทอมไปถามว่าเขาสนใจที่จะขายวัวหรือเปล่าแต่ว่า นี่เป็นวัวตัวเดียวที่ฉันมีนะเรานะ่ะพร้อมที่จะจ่ายให้นายสิบเหรียญเงินเราให้นายได้มากสุดเท่านั้นตอนนี้มีวัวขายลดราคาหลายตัวอยู่นะนายเอาไปซื้อได้สองตัวมันเป็นขอ้อเสนอที่ดีนะโทมสัสมันจะดีได้ยังไงฉันมีวัวที่สุขภาพดีที่ฉันเลี้ยงและดูแลได้แล้วนายเนะี่ยอยากจะให้ฉันขายวัวให้นายซื้อใหม่มาสองตัวจะดูแลไม่ไหวอย่างนั้นเหรอ ฉันไม่ขายวัวล็อกไปเถอะนะทั้งสองคนโกรธมากแต่พวกเขาก็ไม่ยอมกลับไปมันคิดว่ามันเป็นใครกันทนี่กล้าได้ยังไงมาปฏิเสธเราพวกเรานะ่ะรวยที่สุดในหมู่บ้านนี้มันต้องเคารพเรามันภูมิใจในวัวของมันมากเลยเราต้องบังคับให้มันขายวัวของมัน แจ็ค ก, กับแฮร์รี่อยากจะสอนบทเรียนให้กับทอมคืนนั้นพวกเขาแอบออกมาจากบ้านแล้วไปฟาร์มของทอมโดยไม่สนเพื่อนๆของพวกเขาเข้าเผาฟาร์มของทอมวันถัดมาทอมตื่นมาได้ข่าวไฟไหม้เขาเรียบวิ่งไปที่ฟาร์มของเขาและเห็นว่าผลผลิตของเขาได้พังหมดโอไม่นะพืชพันธุ์ของเรา ราจะะอดดไไไปไ้ยงงล่หลายวันผ่านไปอาหารที่ทอมได้เก็บเอาไว้ก็หมดแล้วทอมกับวัวของเขาไม่มีอะไรเหลือพอที่จะกินได้เลยสองวันมาแล้วฉันะรอดได้แต่ว่าวัวของเราหนะรอดไม่ได้แน่เราคงต้องขายวัวแล้วล่ะใครก็ตามที่ซื้อเธอจะดูแลเธอได้ดี ้ามีโลกแก้วเล็กๆที่เขาเอาไว้ใช้เก็บเงินเงินเหลือไม่เยอะเขาไม่รู้ว่าจะต้องออกจากบ้านไปนอนแค่ไหนเขาเลยเอาเงินไปทั้งหมดแล้วออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไประหว่างทางผ่านป่าเขารู้ว่าเงินเขาถ้าเก็บเอาไว้ในกระเป๋าคงจะไม่ปลอดภัย เราต้องเก็บมันไว้กับกระดิ่งวัวถ้ามีโจรมามันจะไม่คิดทำร้ายวัวแน่นอนเขาผูกเงินไว้กับกระดิ่งบัวแล้วเดินไปเรื่อยๆหลังจากเดินเขาก็ไปเจอหมู่บ้านเขาตัดสินใจพักผูกวัวไว้ที่ร่มเงาแล้วเดินไปหาน้ำเพื่อดื่มใกล้ๆร่มเงาก็มีร้านพืชพันอยู่ เจ้าของร้านเดินออกมาสูดอากาศวันนี้น่าเบื่อสุดๆเลยเขาเห็นบัวยืนใกล้ร่องเงาแล้วเขาก็เดินเข้าไปเมื่อบัวหันมาหาเจ้าของร้าน <c oughs> ก็มีเหรียญเงินหลุดออกมาจากคอของเธอฮะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูบัวใกล้ๆ เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆอีก <c oughs> ก็มีเหรียญออกมาอีกครั้งอะไรกันเนี่ยนี่มันวัววิเศษนี่นะเขาไม่รู้ว่าที่จริงแล้วคอของมันมีถุงที่ใส่เหรียญเงินผูกอยู่เพราะว่ามันเป็นวัววิเศษเขาเลยตัดสินใจที่จะซื้อมันตอนนั้นทอมก็ได้กลับมาคื อ, <c oughs> อสวัสดีท่านนี่วัวของท่านอย่างนั้นลล์ ใช่ครับมีอะไรล่ะครับขายมันให้ผมได้ไหมคือผมต้องการมันมากนะครับ อ, อ๋อได้แน่นอนคือผมกำลังจะขายวัวตัวนี้อยู่พอดีเลยล่ะครับอโอโอะไรนะเขาอาจจะไม่รู้ว่าวัวของเขาน่ะเป็นวัววิเศษโอโ้วันนี้ผมโชคดีมากเลยโอเค ถ้าแบบนั้นผมพร้อมจะให้คุณหาร้อยเหรียญเงินเลยตกลงไหมทอมแปลกใจมากเขารีบรับคำขอโดยไม่เสียเวลาเลยเขารับเงินมาห้าร้อยเหรียญแล้วก็เดินจากไปเขาลืมว่าเขาผูกเงินไว้ที่กระดิ่งของบัวเขาเดินกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงแล้วเขาเห็นแจ๊ค ก, กับแฮร์รี่ที่ประตูพวกเขายืนรอทอมอยู่ พวกเขาคิดว่าทอมจะกลับบ้านอย่างหน้ามุยแต่ถึงอย่างนั้นทอมกลับยิ้มกว้างมากเออไงโทมัสนายดูมีความสุขมากนะใช่ฉันขายวัวให้คนใจดีคนหนึงนะ่ะและเขาก็จ่ายเงินให้ฉันมาถึง500ห้าร้อยเหรียญเงินห0 0รอยเหรียญเงินเลยอย่างนั้นเหรอห้าร้อยเหรียญเงินเลยอย่างนั้นเหรอใช่ ตอนนี้เนะี่ยฉันซื้อที่ใหญ่มากขึ้นได้และฉันจะปลูกพืชผลมากขึ้นและเอาของไปขายในตลาดจะได้ซื้อวัวมากขึ้นฉันจะมีทรัพยากรมากพอที่จะดูแลพวกมันวัวของฉันเป็นตัวนําโชคให้ฉันจริงๆเอาละฉันเหนื่อยแล้วละฉันไปก่อนนะไว้เจอกันบายอีกฝั่งหนึ่งเจ้าของวัวก็เห็นถุงเงินของทอมติดอยู่ที่กระดิ่งของวัวเขารู้ว่ามันไม่ที่วัวพิเศษอีกต่อไป แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วอยความพยายามของแจ็ค ก, กับแฮร์รี่เสียเปล่าวพวกเขาอยากจะเห็นทอมเสียใจถึงแม้ว่าพวกเขาจะรวยกว่าทอมพวกเขากลับรู้สึกว่าจนกว่าทอมมากแต่ทอมนั้นไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนทั้งสองคนผิดหวังแล้วก็เดินจากไป อ, อทอมซื้อวัวหลายตัวกับที่ดินใหญ่ด้วยเงินที่เขาได้มาเขาไม่เคยหยุดทำงานเขาปลูกพืชผ่านแล้วนำไปขายที่ตลาดไม่นานด้วยงานหนักของเขาเขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้าน